หลวงพ่อคิดอย่างไรกับการอบรมเด็กๆที่วัดวาปูกแก้วมาคิดๆดูแล้วเรามาเล่นกับเด็กมีแต่เสียสละลูกเดียวไปเล่นกับผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นี่เหมือนเหมือนไปหากินกับคนเฒ่าคนแก่การอบรมสั่งสอนคนเฒ่าคนแก่นี่เมื่อคนเฒ่าคนแก่พวกนี้ตายหมดแล้วใครจะเป็นผู้สืบทอด ทีนี้เรามาอบรมสั่งสอนเด็กๆนี่ปลูกฝังนิสัยไว้ถึงแม้ว่าเวลานี้มันอาจจะไม่มีผลอะไรก็ตามแต่พอโตขึ้นมันรู้เดียงสามันนึกถึงเองนี่หลวงพ่อคิดเอาอย่างนี้เราไปเล่นกับมันก็ไม่ได้อะไรเป็นการตอบแทนมามีแต่เสียสละลูกเดียวหลวงพ่อว่าถ้าจะพูดถึงแนวทางการเผยแพร่จะเคารพมติของพระพุทธเจ้าว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปไปชี้บอกทางบุญทางกุศลบอกทางสวรรค์ทางนิพพานให้แก่เขาอย่างบุคคลที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็เสริมศรัทธาเขาให้ยิ่งขึ้นอันนี้เราอยู่ดีๆนี่เขาเสนอมามันก็ดีกว่าเดินไปขอเทศให้เขาฟังเมื่อก่อนนี้ท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตยังอยู่ท่านว่าหลวงพ่อ เจ้าคุณชินมันไม่เห็นมีว่านทำอะไรก็ไม่เป็นได้แต่นั่งกินหมากคุยกับโยมอยู่ตลอดวันพอเราได้ยินเข้าเราก็แปลกใจการคุยเราไม่ได้คุยเรื่องเหลวไหลมีแต่เรื่องสอนธรรมะกันทั้งนั้นพอจิตมันจะค้านมันก็บอกว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนมาให้เทศสอนวันละ4ี่สถึงสวันละร้อจะไม่ดีกว่าไปยกมือไหว้เที่ยวขอเทศให้เขาฟังละมันก็ไปกันอย่างนั้น